ทังผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้คันธติผู้ให้ย่อมผูก จิตเมตตาเมื่อเจรจาจึงคบหามิตรได้ไม่ยากเย็นก็ไผ่ วันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็มาพบปะท่านสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 2:05 น. โดยประมาณถึงเวลาบ่าย 3:00 น. รายการธรรมะ เป็นเพื่อนใจแก่ท่าน คือวันเวลาผ่านไปอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปนะญาติโยมที่ มันไม่ได้ผ่านไปตั้งแต่วันเวลาเท่านั้นไม่ได้ผ่านไปตั้งแต่วันเวลาเท่านั้นอายุที่เราได้คือความ ถ้าเราระลึกนึกถึงอยู่อย่างนี้จะทําให้ชีวิตของเรานั้น ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ ความเข้าใจมันเกิดขึ้น แต่ถ้าเกิดว่ารายการนี้มัน ก่อนที่จะละสังขารร่างกายไปสู่ปรโลกเราก็ต้องเตรียมเสบียงว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมๆกับ พระองค์จะจากไปแล้วเลยฝากมรดกธรรมแม้พระองค์นิพพานแล้ว พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้เหมือนคือจะให้จัดการศรีริละคือเทวดา ที่อยู่ในสารวนโททยานเมืองกุสินาราก็เบ่งบานออกดอกไม่ผิดฤดูกาลไม้สาละก็คือไม้รังในบ้าน แต่ว่าไม้สาระในในอินเดียนะเป็นไม้สาระที่มีกลิ่นดอกหอมและออกดอกนอกฤดูกาลก็หมายว่าเด 3 เดือน 4 อกอกกกออเดเด 6 นะ ดอกมณฑารพดอกไม้สวรรค์ดอกใหญ่เท่ากับหมวก ไม่ชื่อว่าบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันอุบาสกอุบาสิกาใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามอันสูงสุดนี่พระ เพราะฉะนั้นเธอพึงกําหนดในสโตภิกขเวภิกขุวินหระยะสัมปชาโน อยังโวตุม 5 กังอนุสาสนีย์ซึ่งแปลเจตความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะความรู้อยู่เถิดนี้ ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อม หรือการบูชาในสมัยพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไป สัตว์ทั้งหลายไปสู่สุคติได้ก็เพราะมี อ่าจริงๆแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่าครั้งหนึ่งพระว่าตอนที่พระองค์ยังแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังมาเฝ้าเฝ้าผัดถึงพระองค์ ก็มีการสนทนาธรรมเรียกว่า สังเวชนียสถานคือสถาน 4 สถานที่ด้วย 1 สถานที่เรา 2 สถาน 3 สถานที่แสดงปฐมเทศนา 4 สถานที่ 1 เมื่อ บุญกุศลนี้จะอํานวยเออไปไหว้พระเนี่ยไปประเทศ เพราะอาตมาก็เคยไปจำบรรษาโอ้ขนาดเราไปทุก เมื่อไปแล้วถ้าเกิดศรัทธาประสาทะเมื่อ ปฐมเทศนาก็ดีหรือสถานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็ดีหรือสถานที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานก็ดีแม้พุทธสถานอย่าง เมื่อไปถึงไปกราบไปไหว้แล้วน้ําตาร่วงโยมเกิดขลุขขลกองสยอง โยมบางคนนี่สะอึกสะอื้นสวดมนต์ไม่ได้ถ้าเราไปเห็น 1 ตัว 2 ศรัทธาที่เราไปถึงว่าการที่เราจะไปไหว้พระณดินแดนแห่งแต่ไม่มีศรัทธาก็ไปไม่ 4 คน มีกําลังซัพด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเท่านั้นจึงจะไปได้ฉะนั้นมันไม่ใช่ของง่ายนะการเดินทางไปไหว้พระณดินแดน ประเทศอินเดียน่ะโอ้ไปแล้วเราก็จะได้เห็นอลังการปรากฏสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายพระพุทธศาสนา 230 ปี พระเจ้าอโศกมหาราชนี้ถึง 84,000 ทั่วประเทศอินเดียแล้วยังบูรณะซ่อม ว่าสถานที่ตรงนี้แหละคือ อันเป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนาคือ และสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานๆเราไปเห็น ถามว่าจะ 1 ต้นโพธิ์ที่ 7 เมตรนี่ผืนหนึ่งผืน ที่พระพุทธเจ้าได้นั่งตัตตรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณความคือสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินาราอันนี้เอาไปห่ม 2 ผืนผืนละ 6 เมตรครึ่งมาเย็บติดกันให้เป็นหน้ากว้างหน้า 80 เมตรเช่นเดียวกันนะ โอ้อาตมาได้นําผ้าไปห่มแต่ละปีแต่ละปีที่เอาไปก็ไป มันเกิดจุกที่หัวอกนิยมพูดไม่ออกสวดมนต์ก็เกิดน้ําตาไหล เราได้ทําการบูชาแล้วแต่ว่าการเดินทางนี้ญาติโยมนะการเดินทางนี้ อโศกเอ่อราชกุมารเนไปรักษาเมืองแขดแกร่งปัจจุบันเค้าเรียกเมืองโพบาลอยู่ในรัฐโอริสสาอยู่ใน อโศกก็พาพระนางเวทิสากลับมาที่เมืองปาตลิบุตรแล้วก็ฆ่า มอบราชสมบัติฉะนั้นจึงใหญ่เป็นใหญ่ในชมพูทวีปในยุคนั้นเขาเรียกว่าจอม เห็นสมณเณรรูป 1 เดินบินบาดสำรวมกิริยามารยาทพระเจ้าอโศกเกิดศรัทธาเลื่อมใสเลยนิมนต์สามเณรเข้าไป ถามว่าพ่อเนนบวชอยู่สำนักไหนใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของพ่อเนนหรือนิโครธสามเณรฉันก็บอกว่า พระเจ้าอโศกเลยก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสต้องมากราบนมัสการพระโมคคคฤหบดีตสะแล้วก็สร้างวิหารใหญ่ถวายแก่พระโมคคคฤหบดีตสะวัดนี้อยู่ที่เมืองปาฏลีบุตรนะพระเจ้า 84,000 ทั่วชมพูทวีป เมื่อสร้างเจดีย์แล้วไปถามไปถามพระโมคคคฤหบดีติสสะว่าหม่อม ยังไม่ได้เป็นญาติทางพระศาสนาถ้ามหาโบปิตอยากมหินทะและลูกสาวชื่อว่าสังฆมิตาให้ พระมหากัสสลิบุตรติสสตอบแก่พระเจ้าอโศก 7 ปี 7 เดือน 7 วันที่ในประเทศอินเดียที่ในประเทศ เพราะว่าพญายามารเกิดมาทําพิธีการ 7 ปี 7 เดือนพระ หน้าที่น่ะมอบหน้าที่ให้พระอุปคุตเนี่ยโยมพระอุปคุต มันก็ในขณะเดียวกันก็ในขณะเดียวกันถ้าบอกว่ามีคณะ มีภยาน้ากแปล่งกายเป็นมานบุงน้อย มาเคารบพ่าผิสุสงediaれる พยาคุทธzeit ความตายจักมีแก่เราจึง ภิกษุสงฆ์องค์อรหันต์ 500 เข้าไปแล้วภิกษุเหล่านั้นนั่งนิ่งพญานาคซึ่งเป็นเด็กมนุษย์น้อยก็วิ่ง วาโยสมาบัติคือเพ่งกสิณเข้าอภิญญาสมาบัติเป่า รักษาในการทําพิธีการบูชาครับกับผมมีอาจารย์มากถ้ากับผมถ้าจะบอกชื่อ พิภพนาคพิภพบาดาลถ้าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายต้องการให้ภิกษุเหล่านั้นไปนาคพิภพ ภิกษุ 2 รูปซึ่งเป็นอ่าทูตไปไปบอกเลยก็บัดนี้พระคุณเจ้าภิกษุสงฆ์จากนิโรธสมาบัติแล้วกลับไปเถิดพอพูดเท่านั้น ท่านกลับไปก่อนครับกลับไปก่อนครับประเดี๋ยวผมตามพระอุปคุตบางทีท่าน มาถึงก่อนเลยโยมก็ภิกษุผู้เป็นสมณะโทธนี่ก็ถามว่าอ้าวก็ท่าน ประชุมสมกันแล้วว่าท่านนี้ควรจะได้ อ่าท่านก็มาเห็นท่านก็มา เมื่อไปบิณฑบาตตอนเช้าพระเจ้าอโศกเมื่อเห็นพระอุปคุตท่านไปบิณฑบาตในปาตาลีบุตรท่านก็ปล่อยช้างนาลาคิลิงเถระกําลังจะเดินออก พระอุปคุตพระอุปคุตท่านเข้าสมาบัติใช้ด้วยอํานาจฤทธิ์ชี้ชี้นิ้วใส่ พระเจ้าอโศกก็รู้กําลังว่าโอ้พระเถระ ยืนอยู่หน้าเมืองตั้งแต่ตอนเช้าพอบอกว่า อ่าผู้เฒ่าผู้แก่จะตั้งศาลพระอุปคุตน่ะให้ไว้มีบาตรมีล่มใช่ สำหรับแล้วก็หันหน้ามองดูท้องฟ้าท่านบอก ญาติโยมได้ฟังเรื่องนี้ก็คงจะเออเรื่องแปลกพระบัวเข็มบาง มีฤทธิ์มีอานุภาพมากนะก็เลยนํามาให้โอคนมีฤทธิ์เพราะฉะนั้นพระเจ้าอโศกนี้ แล้วในที่สุดเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาท่าน 1,000 รูปเพื่อมารวบรวมพระธรรมวินัยในเมืองปาฏลีบุตร ให้ศาสนาเจริญไปทั่วโลกพระเจ้าอโศกก็สมณะทูตไปทั้งหมด 7 สายด้วยกันสายหนึ่งและพระอุตตระนะไทยพม่าลังพม่าลาวเวียดนามนี่ ทั้งอินโดนีเซียสิงคโปร์นีโกก็อยู่ในแคว้นสวนภูมิคือเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยก็เกี่ยวกับพระเจ้าอโศกนะคน คนที่จะลืมไม่ได้ก็ 200 กว่าปีได้ยึด เก่าแก่เจดีในพวกนี้เขา ก็มาบัญญัติเหตุที่ท่าน นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามอบกายถวายตนในพระพุทธศาสนา มีคุณูปการได้ได้ไปดูแลสร้างสถานเกี่ยวกับสถานที่ประสูติที่ตัตตฤูที่แสดงปฐมอเทศนาและนิพพานมาก ว่าจะนําเรื่องการเดินทางไป ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ฟังก็ 10 ครั้งโยมเป็นการแสวงบุญ อาตมาก็แล้วก็พระเถระหลายรูปบาท พระชีวิตหนึ่งเราก็ตั้งใจไว้อย่างนี้